50 languages. n i การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป Yatra chungi r e รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปเรนเมปเอกดัมปรฮยโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปโฮเทลอารามดา้บอทแมงกาเขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ เลิฟ a i เขามาวันนี้ตอนข่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เชาา้าอองวนอนค่ำรเขาพักอยู่กับเาหรือไม่ก็พาัหรือไม่ก็พี่าาโัรกงีแ่โรองนแาวรม เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษโอสเปนิชอัตยังอังกฤษด้วยเหรอที่บอกสักดีเธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอนโอมาดริดอัตยังลอนดอนทั้เหรอธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษโอ้สเปนอัตยังอังกฤษด้วยเหรอที่พู เขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วยโง้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วยเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วยเธอไม่ไ ด, ด, ด้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วยเธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย โอ้แค่บลเยอรมนีไม่ฝรั่งเศสีบีบอกดีเหอะดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์น้าไม่เปียโนวัวจ้าสักด้าฮะน้ากีฉันเต้นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้าน้าไวอลซ์นัชสักด้าฮะน้าแซมบดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ น่าเมนูโอเปร่าชังกาลักบลลยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นถ้าคุณจินนี่จัดดีทำงานก็จะทำได้เร็วที่สุดเ่าคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นถ้าคุณจินนท คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งเกียดคร้านขึ้นเท่านั้นย